เป็นเรื่องที่น่ากระตือเร่ร่นต้องเห็นเัาเองการบอกไม่ใช่บอกให้รู้บอกให้ดูเรียกว่าวิชากรรมาฐานวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่การกระทํามีที่ตั้งมีการกระทําเป็นของจริงไม่ใช่เป็นวิชาที่คิดนึกใช่สมองใช่สติใช่เหตุผล เป็นวิชาที่ไปจุ่มเอาไปต่อเอาให้มันเป็นปัจจุบันเป็นปัจจตังไม่เห็นไม่ใช่รู้ทำไมจะไม่เห็นของมันมีอยู่กายก็มีอยู่ใจก็มีอยู่เห็นกายคือเห็นให้มีที่ตั้งมีสติ รู้สึกระลึกได้ขณะที่เจตนาจะรู้อะไรต้องมีเจตนาต้องมีที่ตั้งเช่นกรรมฐานทั่วๆไปแต่สติปัฏฐานนี่เอาให้มันหยาบให้มันดอกแรลงสักหน่อยต้องเคลื่อนต้องไหวอ่อี้บทนี้ทีว่าบอกพระ กายบับพระเอากายมาปลูกให้ปันรู้รู้เป็นเรื่องที่เราเจตนาอยากจะรู้สิบสี่จังหวะเพื่อให้รู้ตามเจตนาเพื่อให้เป็นปัจจุบันถ้าไม่มีเจตนามไม่มีที่ตั้งมันก็ไปข้างหน้ามันก็คืนทักหลังหลายอย่างที่มันวิ่งไปข้างหน้าความคิดตัง้ง ติดเพเปิดเพนเื่อนไรบ้าเคยวิ่งเยื่อนั้นทางหน้าคืออนาคตยังไม่มามันก็วิ่งไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็วิ่งกับคืนไปแล้วจึงมีกรรมฐานที่ตั้งอาไว้การเจตนาของบัพักกายานุปัชนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกาย เห็นมันมีประโยชน์อะไรให้ไม่เห็นอยู่ต่อเรื่องกันนานๆการที่มีสติอยู่ที่เก่าที่เก่าที่เก่ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระอะไรที่มันปักอยู่ที่เก่ามันมีอะไรที่จเจริญอยู่ตรงนั้นด้วยเหมนต้นข้าวต้นกล้าที่เราปลูกเราฝังลงไปในดินมีสิ่งเวดล้อมดีมันก็กองอกามขึ้นมา ออกลากสร้างลำต้นก็มันจึงเวทลอมดีก็เกิดตอกออกผลได้จากต้นก้ากลาเป็นต้นข้าวเป็นมเมล็ดข้าวลองไปต้องไปคิดว่ามันจะได้อะไรจะขาดทุนจะได้กําไรจะผิดจะถูกไม่ต้องไปคิดทำให้มันดีการกระทำทำให้มันดี ไม่ต้องไปคิดเอาเหตุเอาผลกรรมานก็เหมือนกันเราเจตนาสร้างสภาวะที่รู้กับกายรู้สองรู้สามรู้ไปสิบสี่รู้ความรูปแบบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาวินัยทีหนึ่งก็จะรู้ทีหนึง่ง สี่วินาทีก็สิบสี่รู้สิบสี่จังหวะก็สิบสี่รู้ความรู้ที่มวัลรู้ทุกเรื่องทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราทําได้ไม่ต้องไปขอร้องใครให้เสียใจสักหน่อยเรื่องรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้แม้แต่เราช่วยตัวเราเองเขายันรู้เรียกว่าภาวนา ภาวนาคือกหยันรู้มันหลงหรือบางทีอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวรู้ไม่เสียหายภาวะที่หลงไม่เสียหายเปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้มันหลงเป็นเหตุใเกิดความรู้ได้เป็นเรื่องที่น่าพอใจวิชากรรมฐานนี้ไม่เสี่ยงเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนรลายเป็นดีได้ เปีนยนผีเป็นตัวก้าเปลี่ยนอะไรๆเป็นตัวลูได้นี่ทาเอาทาเอาเรทําอย่างดีมีกรรมฐานที่ดีจะขยันกรรมฐานไม่ดีจะเบื่อไดอ้ง้อง ห, หนอนอนไม่กระตื่เรือรรนมันลู้อยู่เนี่ยมันฟีที่ใดยกมือเคลื่อนไหวไปมาอยู่เนี่ยอะไรมันจะไม่ใช่ความรู้ มันก็ไม่ปิดบางอภรราบางดีมันมีความสุขความทุกข์ความคิดความเบื่อหน่อยความอะไรต่างๆนั่นแหละมันมาให้เราเห็นวันแสดงเราก็รู้โอ้ดีอันหนึ่งเนาะนี่อันหนึ่งเนาะความหลงอันอันหนึ่งความรู้นี่เป็นอันหนึ่งคนละอันกันไม่ใช่เรื่องเดียวเรื่องหลงเรื่องรู้ไปมีคําถามผู้หลงเองก็ล่งรู้เอง เพื่อนลูก่ก็ไม่ต้องถามอ่ะยกมือขึ้นลู่สึกเลยถูกต้องแล้วของจริงไม่มีคําถามมีแต่คำตอบตัวเองต้องตอบบอกเองหลอกกันไม่ได้มันหลงยังไงมันลูอย่างงา้งสภาพที่ลู่สภาวะที่ลู่สภาวะที่ห ล, ลงมันต่างกันยังไงฝัดแนบแน่นดีๆจะได้บทเรียนอย่างยอดเยี่ยม สมหวดกับสภาพที่รู้สมหวดกับสภาพที่หลงมันหลงนะมก็มีหลายหลงอที่ว่าหลงอันเดียวนั่นแหละหลงสุขหลงทุกข์หลงคิดหลงแล้วหลงชังอะไรต่างๆนั่นคือหลงกูรู้กูคื อ, อนเดียวคือรู้สึกตัวนั่นแหละไม่ใช่คนละอย่างหลงที่เดยก็ูรู้อันเดียวผมหลงเดียวเราก็รู้ออกรู้ออกรู้ออกหัวล็อกได้ แล้วก็เราก็อยู่นี่ก็นั่งอยู่นี่แล้วมันไปถึงไหนล่ะอันความหลงอมันจริงหรือเปล่าแต่เราก็รู้อยู่เนี่ยมันหลงไปแล้วรู้อยู่นี่อันความหลงมันจะไปได้กระนาดไหนเพราะมันไม่จริงอะเรื่งรู้นี่มันจริงกว่าเรื่รู้เป็นธรรมกว่าเรื่องหลงไม่เป็นธรรมไครหลงก็เหมือนกันเป็นของที่อันเดียวกัน ถ้าแต่จะต่างกันตรงที่เปลี่ยนหลงไป็รูปเนี่ยถ้าหลงเราไม่เพี่ยนมันก็เนื่องช้าไม่ติดมันจะไม่ติดมันจะด้านถ้าหลงใจรูที่น่ะมันจะติดวเวลาท่องหนังสือใจลอยท่องมาค่อติดเวลาอ่านหนังสือหาเรื่องไปคิดบางทีอ่านไปครึ่งหน้าไม่รู้ว่ตัวเองอ่านเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องใช้เวลาเท่ากันการศึกษาก็เหมือนกันอันนี้ก็คือการ ภ้าวิชากรรมฐานเรียกว่าวิปัสนาทุระคันธทุระท่านทั้งหลายรู้มากมากรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ผิดรู้ถูกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรู้เป็นเรื่องที่ไปสัมผัสเอาชั่วดีไม่ต้องไปรู้ว่ามันดีไม่ดีอย่ า, าสัมผัสสภาพที่หลงสัมผัสสภาพที่รู้มันก็จะบอกเรา เราต้องไปรู้ว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีดีไม่ดีไม่ต้องไปเอาตัวนั้นหลงนี่ไม่ดีไม่หลงนี่ดีไม่ใช่สติจริงๆมันเหนือดีเหนือไม่ดีเหนือผิดตื่นถูกอันผิดอันถูกไม่ใช่สตินะเป็นสมมุติปัญญจะคู่ที่ผิดที่ถูกถ้าผิดล้วไม่พอใจถ้าถูกเราพอใจอันนี้ธรรมดาไม่ใช่กรรมฐาน กรรมฐานเนี่ยไม่เห็นเฉยๆผิดก็เห็นเนี่ยถูกก็เห็นเท่าเก่าไม่มีค่ามีแต่สติค่ายิ่งใหญ่คือมีสติยิ่งใหญ่กว่าสุขกอนถูกกันผิดอันผิดอันถูกใครก็รู้กันทั้งนั้นแต่ว่าการที่มาสัมผัสกับสภาพที่รู้ที่หลงนะ่ะไม่ต้องไปถึงว่าผิดว่าถูกว่าพอใจไม่พอใจเห็นแต่รู้ก็ไปรู้ก็ไปรู้สัน้น รูปลัดไม่จะรูปแบบอรูปคํารูปแบบลัดลัดคำว่ารัดเหมือนไฟตกเส่ขาเราแล้วก็ปัดออกกันเลยนี่รัดลัดจะไม่มีรอยถ้ไฟตกเส่ขาเราเอ้ใครทำมาจากไหนไฟมาจากไหนเนี่ยต้องถามมาคนที่ทํามาทําไมจึงทำไฟมาถูกขาเราเหร่ะ ถ้าไม่เห็นไม่รู้จักคนที่ทําให้ไฟมาตกเสขีขาเราจะไม่ออกนะก็เป็นแผลแล้วเป็นรอยเผลเป็นแล้วรอยแผลเป็นคือความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจเป็นรอยเผลในหะัวใจของมนุษย์มันจะลบได้มันจะมีแต่สภาพที่รู้คำว่ารู้รตัวเนี่ยมันคืออะไรมันละความชั่วมันทํำความดี มันเป็นพม่จันทร์ไม่เปิดเพื่อนทําอยู่เนี่ยรู้สึกตัวอยู่นี้มันก็ละของมยอะรู้สึกตัวอยู่นี้มันก็ทําความดีรู้สึกตัวอยู่นี้จิตก็ไม่ได้กุ้งคิดไปไหนเป็นการทําบุญเป็นการละบาปไปในทัวเสร็จเลยไปเป็นพวงกรรมฐานเนี่ยสิ้นเวรสิ้นกรรมเป็นพวงใครจะมีกรรมแบบไหน ไม่ต้องกลัวอลไรเมื่อแต่ลู่ตรงไหนเข้าไปเถอะเ่อ แ, แต่ลูกล่กไ็ไปลู่ก็ไปเขยันลู่ลมันหลงผ่านความหลงมาถูกความลู่ผ่านความหลงมาถูกความลู่ด้วยปฏิบัติปฏิบัติเพืเปลี่ยนหลงเป็นลู่เป็นอะไรก็เป็นตัวลู่ทั้งหมดแหละไม่ฟังเสียงอะไรเอาทีแรกแล้วก็หลายอย่างมีศรัทธามีความเพียร ศรัทธาคือความเชื่อว่านี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่งงมุ ม, มสาวสาวมันมีอย่างนี้ยกมือขึ้นก็รู้เนี่ยวางมือลงก็รู้เนี่ยเคลื่อนมือเคลื่อนไ้มาก็รู้เนี่ยมันคิดไปหรอรู้มันกลับมาได้ไม่ต้องทำทำไมเรา จ, จึงคิดไม่ต้องมีทำไมไม่น่าจะคิดแตไม่มีก็ว่าไม่น่าจะคิดเป็นแต่รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื้อซื้อก็ดว่า จะไม่เสียเวลาจะรัดลัดเข้าไปถ้าแปเอาผิดเอาถูกเอาพอใจไม่พอใจมาเนิ่นช้ากรรมาทานอนะ่ะเอาเป็นมัดใจเหมือนพระอนุนจะทำตังคใครนาพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ที่ทำสังขัยนาต้องเป็นพระอาหารหันต์ชีนาศกแต่อนุ์นี่เป็นพระโสดาบันพระสงฆ์ทั้งหลายก็ ให้อานนท์รีบปฏิบัติทำเพื่อะไรเพื่อจะได้ทําสังกายนาคนมีความรู้คนมีความสามารถมั่นใจจะรู้ตัวนี้รู้ดได้เลยเนี้ยมันรู้อยู่เนี่ยอันคิดไปไหนก็รู้อยู่เนี่ยมันจะไปไหนฮมันจะไปได้ไหนมันกลับมารู้ผ่านตัวหลงมาสู่ความรู้ผ่านตัวสุขมาสู่ความรู้ผ่านตัวทุกข์มาสู่ความรู้ผ่านตัวพอใจไม่พอใจมาสู่ความรู้ ความรู้จะโลนขึ้นจะโลนขึ้นจะโลนขึ้นอันคว้มหลวงไม่ต้องไปกลัวมันเพราะแต่มีความรู้เหตุมันอยู่ที่นี่อันหลงคือถือว่าที่ไม่หลงที่มันหลงเพราะไม่รู้ไม่ใช่มันหลงเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่รู้เป็นเจ้าเบิร์เจ้าเรือนไม่รู้เป็นเจ้าเรือนอเป็นเสาหลักต้องมีความรู้ึกตัวเป็นเสาหลัก เปนฐานเอาไว้ว่าฐานที่ตั้งเอาไม่ต้องอ้างว่าฉันเป็นคนแจกฉันสุขภาพไม่ดีเอวก็ไม่ดีนับแต่เป็นโรคไครครเจ็บคุณเป็นคนหนุ่มไม่ต้องหวาสภาพที่รู้สึกตัวไม่มีคําว่าหนุ่มไม่มีคําว่าแจกไม่มีคําว่าเพศปล่อยเป็นของที่เสมอกันทั้งหมดละ โยมก็รู้กันเดียวกันอยู่กับพระหลวงตายุนี่ก่อนเดียวกันอยู่กับผู้ที่เจ้าสามพันปีอันเดียวกันของจริงแล้วเป็นอย่างนี้เราพิกเือรู้จึกตัวรู้จะไปจะไปต่อรองอะไรก็ไมฐานไม่มีอะไรที่ช่วยกันได้เพ้นแต่เพียงเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่กันแบบกันยานามิตรอย่ามาศรัทธาใครอย่าไปเชื่อกัน ว่าเราทํานี้มันเกิดจากนี้ขึ้นมาให้ศรัทธาการกระทําของเราแล้วก็มั่นใจเรื่องนี้จริงๆมันเหลือเกินคนเมื่อไหร่จะเข้าถึงสภาพที่รู้อย่างนี้มันไม่ยากต้องจะให้มันหลงไปจนตายเลยมันไม่หลงไม่แม้น่าจะหลงไปจนตายมันรู้อยวนี้ได้อาจจะมีความหลงไปข้างสุดท้ายด้วยอาจจะมีความโกรธไปข้างสุดท้ายด้วย อาจะมีความทุกข์กันขั้งสุดท้ายด้วย